อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ463 1. ภิกษุสำคัญว่าเป็นเรื่องจริงโจ์เองหรือใช้ผู้อื่นให้โจทย์ 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติอโมลกกาสิกาบทที่6จบ